169. หัตถิมังสาธิปฏิเขปะกะถาว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อช้างเป็นต้นเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง 281. สสมัยนั้นช้างหลวงล้มในคราวข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายพากันกินเนื้อช้าง ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุจึงฉันเนื้อช้างคนทั้งหลายจึงตํหนิประนามโพนทนาว่าชไหนพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรจึงฉันเนื้อช้างเล่าช้างเป็นราชพาหณนะถ้าพระราชาทรงทราบคงไม่พอพระไทยภิกษุทั้งหลายเป็นแน่